<Book> 87เยนะพียเยดูอดีตการของกริยาช่วยบูตรการล้วนสหายก็เคลียลูกวอกติเราต้องรถน้ำดอกไม้แม่หมดเช็ดลือกนีลูกพอยาลสิวัชินดี เราต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์เมมอพาร์ตเมนต์นี้สุเราะประจสวชินดีเราต้องล้างจานเมมินเน์ตโมอลสวชินดีคุณต้องจ่ายบิลด้วยหรือเปล่าเมกบิลลินจลวินดาคุณต้องจ่ายค่าผ่านประตู ด, ด้วยหรือเปล่า มีเซเลวล์วัชินคุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่ามีกเจร์มาเจลินจาวลซวัชินใครต้องการลาจากกันเวสตานเจลซวดีใครต้องการกลับบ้านก่อนเยาวร์กี้อินทิคิตันดรกาเวลาลซิวนดี ใครต้องนั่งรถไฟเยานกวสเราไม่อยากอยู่นานอิเอกคเซปบุนารพิดมดเราไม่อยากดื่มอะไรมาคุยอิงคายเยไม่ตากันนดเดเราไม่อยากรบกวนคุณไม่มนนี กาลังจไปดันแล้น่ะปิดชั้นเลยดูตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์เนี่ยนี่อึปเรวักก์กอลเจสคุณด่ามันนนคุณนุดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่นรเนี่ยนีอึปเรวกแท็กซี่นรเนี่ยพูดด่ามันาันอุคุณนนุที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้าน นี่ฉันจะพาลันเตน้ินต์กับเวลลาลนันบุ่นดีดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรถึงภรรยาของคุณมเวี a l l ใช่ดัลจาร์นันอันนั้นคุณตดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลมีเ a l l ใช่ดัลจา ร, นราน์คารานคุณดิฉันคิดว่า คุณอยากสั่งพิซซ่ามีรื่อกับพิซซ่านี่แต่เินจะ ด, ดินาเรนานะคนทั้ง